10. จีวระอะปะนิธานะสิกขาบท 113. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้เอาบาตรหรือจีวรผ้าปูนั่งกล่องเข็มหรือประคตเอวของภิกษุไปซ่อนณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปราลบพวกภิกษุฉับพัคขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักขีเอาบาดบ้างจีวรบ้างผ้าปูนั่งบ้างกล่องเข็มบ้างประคตเอวบ้างของภิกษุไปซ่อนในจีวรอ ป, ปนิธานะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐาน เกิดด้วยสมุทฐาน3สมุทฐานสุราเมระยวักที่6จบ